ท่านประโยคาววจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็จกขอนำเอาเรื่องโ ก, โกโรธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโตกับพรามเอามาให้ท่านได้สรับพระบินการศึกษาบางทีถ้าใจคิดว่าผมน่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้ว หากินเรื่องโกรธกันที่อย่างเดียวด้วยความจริงความรู้ต่างๆนี่ผมสอนท่านมาเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะสอนดังนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีครบเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมอขอให้ท่านเลือกปฏิบัติเอาตามปัิยาใัย ในเรื่องการแนะนำความรู้เกรดเกรดนี่ก็เป็นภาระที่ต้องหาไมา่ทานในฐานะที่ผมเป็นผู้บวชก่อนผมไม่ถือว่าท่าผมเป็นครูท่านผมถือว่าผมเป็นพี่ท่านเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระิชิตมานทรงตรัสว่าคนบวชก่อนให้ถือว่าเป็นพี่ในคนบวชที่หลังถือว่าเป็นน้อง สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นพระพุทธวีดอเราก็หาแม่ไม่ได้ไมีแต่พอ่อแม่ที่ตามพร่ำสอนเราก็คือพระธรรมวินัยเป็นอนุวาเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่ใช่พ่อท่านและผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์จริงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นลีลาใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีไว้ถึงแปดหมื่นสี่ันข้อผมก็จะขอนำมากล่าวให้ท่านฟังตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ไปเครื่องคิดเพื่อรสดับสยายาติปัญญาในความจริงเรื่องโกรธนี่มันเป็นเรื่องกระทบใจแรงตามที่ผมพูดมาใน เรื่องของกุปกรรมของพระมห ah าสาวกซึ่งมีข่าวโผล่เขมาเ้าบอกคนที่ไปพูดก็คือรูกสิษย์ข้งพ่อเองเขาาอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารูปสิษย์ของผมไม่พูดแบบนั้นหรอกต้องเป็นรูปสิษย์ของเทวทัตคนที่ไดพูดเว่าเราทราบไปได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเรานี่เป็นใครกันบ้าง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 ถ้าผมเป็นพระการเมืองคราวนี้ผมต้องวิ่งเข้าไปอย่างน้อยที่สดุดก็สมัครเป็สมาชิกสภาปฏิวัติหรือไม่อย่างนั้นเวลาเขาปฏิวัติกันก็าอาจจะไปร่วมปฏิวัติกับเขาแต่ถ้าว่าท่านหลายจะเห็นหาว่าผมแก้ตัวก็เป็นเรื่องของท่านผมเป็นทางพระการประสาศาสนาเป็นท้งพระการเมือง เป็นธรรมพระการบ้านและเป็นธรรพระการวัดถ้าการประศาสนาก็หมายความว่าธรรมะอันใดที่องค์สมเนจพระจอมไตรบรมศาสนดาสมมาสพุทธยาวสอนถ้าสิ่งนั้นไม่เคยบัญญาของผมผมก็ปฏิบัติตามแค่กำลังจิตใจของผมจะพึงทำได้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 ยงทําตนให้พระศาสนาได้อาศัยท่านบ้างเป็นการสนองคุณพระพุทธเจา้าจะได้ไม่มีนามว่าเป็นผู้อกักตรันยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าในรการหนึ่งความเป็นอยู่ของเราจะมีได้เพราะอาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธาในการใดก็ดีที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะสง่งเคราะห์ตอบสนองความดีของท่านใดเราก็ทําทุกอย่าง เพื sea, ่อเป็นการสนองคุณท so, ่านเพื the one, the ่อปฏิบัติตามกระแสพระบาลีที่กล่าวว่านิมิตังสาธุรูปานังกัตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกัตัญญูรู้ประการะคนที่ท่านทำแล้วแน่ตอบสนองคุณท่านพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดี เรื่องเรามะบทโยกไปเรามาคุยกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าต่อกรรมวาทะของพระพุทธเจ้าจำเอาไว้ดีเนี่ยครับแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยอย่าจำแบบนกแก้วนกคุณทองเป็นกล่าวว่าตามธำบา ล, ลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมระทับอยู่ในพระเวรวรุมหาวิหาร องสมเด็จพระวิธิตมานทรงปรารบอสุรินทัภารทวาชโคตรทวาชพรามแม่คนนี้ยาวเหยียดคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจ้าทางนั้นเนื่อได้สะดับมาว่าได้ยินว่าพรามชื่ว่าภารทวาชโคตรออกจากเกลือนบวช เป็นบรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมโกโรธจัดขัดใจนี่พวกนี้เน่เป็นพวกเห็นแก่ลาบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูยังไม่แปรกฏก็ยังไม่มีใครคะนับถือองค์สมเด็จพระบรมสุคตลาบเส ก, การะมันก็เกิดขึ้นกับเขา พระอง์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าทรงประกาศพศา ส, สนาบรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมอง์สมเด็จพระทศพลคนนี้ก็ขาดลาบเมื่อขาดลาบก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบสการะของตนนี่เล็งแก่ว่าลาบสการะนี่มันเป็นเครื่องฆ่าคนชัว่ว คนที่หลงเยยนลาบสการะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีเพราะจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วไปไม่ได้สกายเป็นอนุวาเมื่อคณะพราหมณ์พวกนี้ตั้งสำนักใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของคนมาองค์สมเด็จพระทศพลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโตอย่างหนักเพราะว่าทำคำสาวสอนของพระสมณะโคดมไม่มีความหมาย แต่ต่อมาปรากฏว่าเพื่อนของตนย่องเข้าไปบวชในศาสนาขขงองสมเด็จระจอมไตรทำให้คำโฆษณาที่กล่าวว้ไร้ผลคนก็จงเองเอียงยังได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบเสกการะทำลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบันดาท่านทั้งหลายจงจำไว้เมื่อจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดี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 จึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามัติยาใสท่านบอกว่าการบริพารด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมใจเห็นด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจาของสัตวุระหลดคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามท่าบาลีท่านกล่าวว่าเมื่ อ, อสุรินทรา อาสุรินทกะภาระทาวาชพรามไม่ยาวจัดนะชือยาวจริงๆหล่าวอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระวพีตแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำมาให้ดีนะแต่คนเลวก็พูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินัยถ้านั้นหลายก็จะไปต่อล้อต่อเทียงกับเขา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 ยับยั้งดูตามอย่างพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตเปี้ยวถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามถ้าทำไมวในเขานิ่งเสียก็แล้วกันการนิ่งถือว่าเป็นโูชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วยคือเรียกว่าใบกางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วแล้วส่งมาให้เราเหมือนกับถ้อยคําที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของบุพกรรมของพระมหาสาวก นั่นเป็นจริยาเขาคนเลวเขากล่าวช่างเขาถ้าเราโกรธเขามา่ไรเราเลวเมื่อนั้นลำดับนั้นท่ากล่าวว่าอาสุรินทะกกาพาทัทวาชพรามได้ล ก, กล่าวแก่ผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระสมณนะนี่เราชนะท่านแล้วพระสมณนะรู้หรือเปล่า ว, ว่าเราชนะท่านแล้ว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 แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบคุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้วเพาการโกรธตอบนั้นบคุคคลไม่โกรธตอบบคุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชี้ว่าชนะสงครามอา บ, บคุคคลชนะได้โดยยาก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 ผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบบคคณนั้นว่าเป็นคนเขา่าดำนี้พระพุทธภาสิตธี้ยังคนนึกออกไหมเพราะอ่านรวดพระพุทธเจ้ า, จาท่นกล่าวว่าคนพ่านลาวคำหยาบโดยวิจารย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะโดการอดกลั่นได้เป็นผู้ชนะของมนิตผู้รู้แจ้งอยู่ นี่หมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่จะหมายถึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไปกโกรธโกรธเหมือนกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรูม้เบมคาธรรมอดกลั้นยันเข้าไว้ไม่ด่าตอบไปโตตอบ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 พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจะไม่ให้ดีในค ร, รับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคํเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังให้ดีเพร่อเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคำํำจึงกล่าวต่อว่าผู้นใดโกรธต่อบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธเจ้าด่าเขาอย่างหนักเนื้อโยนเค้อโดนค้อนหนักหลายตาันสบารย์เแล้วนี่เราก็จะมาดูว่าทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วแสดงว่าเขาลามุกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลามุกมากกว่าคนที่โกรธแล้วเพราะอะไร ว่าตัวนิรดียังมีสติสมัมปชัญญะสมบสูรณ์ยังทรงความดีอยู่เมื่อบุคคลที่เขาโกรธข้ามาก็ไปโกรธตอบเ้าอีกก็กลายว่าเป็นผู้ทำลายสติสมัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้สลายไปดังนั้นว่าพระองค์สมเด็จพระจอมใตรกล่าวอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พรามรู้ เมื่อการที่พระองค์ไม่โกรธตอบนั้นพระองค์เป็นผู้ชนะและก็ทรงความดีไม่ได้ในพราหมณ์ที่ทรงความดีไม่ไว้ในเมื่อเขาไม่ตอบกระหาวว่าเราชนะกันแล้วในข้อต่อไปทั้งกล่าวว่าเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมเชื่อว่าชนะสงครามอันบุคคลชนะในยาก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 ให้เกิดความสุขในกันและสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนึองนั่นกล่าวถต่ว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้นหลายที่ไม่ฉลาดในธรรมย่อมมีความสําคัญว่าบุคคลนั้นเป็นคนเข่าในการที่เราถูกด่าเนี่ยแล้วเราไม่ได่าตอบ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 โรคอย่างนี้ต้องไปโรงพยาบาลบางทีเขามาถามผม ก, ก็มองมองดูว่าโรคแบบนี้โรงพยาบาลเอาไม่ไหวถ้าคืนไปตรวจหมอจะบอกว่าไม่พบโรค ก, ก็เลยบอกให้ไปหาหมอคนนั้นพระคนนี้ที่เป็นทางใช้บิญชาข่มโรคประเภทนี้ก็มีอยู่และในขณะนั้นเดียวคนนั้นเองคนมามากๆหนักเข่าผมก็เลยถูกดา่าจาก เจ้าถิ่นในสมัยนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระราชาคณะในเมื่อท่านเป็นพระราชาคณะแต่ถ้าว่าแขกท่านน้อยไปคนหาน้อยไปไม่ใหม่เที่ยงก็ดีธนาเข้าทนทนไม่ไหวเท่ยงก็เลยดา่าท่านอยากจะด่าก็ด่าไปผมที่เกียรรับฟังฟังได้ยินก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ทาเป็น ไ, ปไม่ได้ยินเสีย ผมก็อ่านหนังสือผมก็คุยกับแขกผมก็ทํางานทุนตามเรื่องตามราวผมก็สบายใจท่านเองกับไม่สมบายใจแต่เน่คําด่าของท่านการเสรียสีของท่านชาวบ้านที่เข้าไปเข้ามาเขามีปัญญาเนี่ยเขารู้เขารู้ในที่สุดท่านยิงพลธนามากเท่าไรท่านก็เก่งไปมาเท่านั้นคนที้สุดก็ทําอะไรไม่ไหว อีกการงานอะไรที่ทำกันมาก็ผอมก็กร่อยหรอลงไปหมดนี่เราปฏิบัติตามกระแสพระธรรมเทศนาขาององค์สมเด็จพระบรมสุคต์กิมันเป็นสุขอย่างนี้เราไม่โตไม่ตอบเพราแเราก็ไม่เหนื่อยล้วก็สบาย mm. อยากด่าก็ด่าไปอยากว่าก็ว่าไปแต่คนดา่าคนว่าประเภทนี้ก็คนที่ไม่โตตอบจะทนสังเกต ด, ดูให้ดี ไม่ช้าไม่นานเท่าไหรก็ย่อยับไปตามๆกันเป็นอันว่าวันนี้จําไม่ดีนะเมื่อพบพราหมณ์ที่เขาโกรธก็เพราะเขาขาดลาภสการะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมันแล้วเราไม่โกรธตอบจะได้เป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโทหะความหลง โทษะความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญร้ายแรงมากหากว่าท่านหลายตั้งใจจะชนะความโกรธให้ได้ก็จงใช้พรมิหารสีนะั่ง่ายดีหรือว่าจะชอบกระสินก็ใช้กระสินสี่อย่างคือ ส, สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวทาให้เกิดเป็นฌานควบกับวิปัสสนาอย่างคือสกายทิฏฐิ มาคิดว่าถ้อยคำที่เขาดา่ดาในด่าแล้วถ้อยคำไหลแล้วนั้นมันไปนกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนข้อด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูเฮเราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธเขาสงสารเขาเสียดีกว่า ก็ไม่น่านเลยโหตายเขาไม่ดีเห็นคนจะแทบเป็นสัตว์ก็ได้น่าสิ้นได้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พราะพระพุทธศาสนาถ้าเราทําความดีเขาเราทําความเลวก็ต้องมีจิตเมตตาว่าไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเป็นคนก็ไม่ควรจะกลับไปกลับลงอาเวจีมหามนุษใหม่เพรากําลังใจเขาบุคคลพวกเราร้อนเพราะด้วยอารมณ์อิจฉาดิสยา เมื่อคิดอาฆาตมาดร้ายก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตท่านไปไหนท่านไปเวจีมหานรกนี่เป็นอนว่าพของเรารักษากําลังใจระงับความโกรธได้พมิหาสสนสี่กับกระสินสีกับสกายทิฏฐิเท่านี้พอถือว่าเท้าได้หมหนึ่งก็ช่างมันแค่ว่าอย่างไงก็ช่างมันให้เงยดายก็ช่างเขาจะว่าก็าช่างเขาจะนินทาก็าาช่าง ช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแก่คนเดียวนี่ขออ่านเรื่องต่อไปด้วยลายสามนาทีจบแล้วไม่จบไม่ทราบนะจำคติไว้ได้นะเพิ่งกล่าวว่ามาองค์สมเด็จพระจอมไตรยจัดเจนีแล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพระรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบาททิพย์แกวว่าข้าแต่พระสมณโคโดมผู้เจริญ ไอแรกเขามาดานะตอนนี้ดีแล้วภาสิตขาพระองค์แจมแจ้งมากถ้าแต่พระโคลมผู้เริญถ้าไาเจ้าชอบใจภาสิ ท, ท, าท่านท่านท่านทรงแสดงทำภาสิโดยปริยายอนเนกกรรมการเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ขยายสิ่งไงของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ บ, บุคคลผู้หลงทางนี่เขเขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับ หรือว่าสรงประทิพในที่มืดที่มีแสงสว่างแก่คนที่มีจักสุย่อมเห็นได้เะนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระธนะสันณะโคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสนักเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บรบรชาอุปสมบทในสมนงท่านเถิดจ้าขา สมเด็จพระบรมศาสดาสมม า, ส, าสมภูธเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทบรรพชาให้ท่านก็ปฏิบัติมีความภาคเพี้ยนตามลาลีนะบวเรียนแล้วไม่ชาท่านก็หลีกไปอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียนมีตนส่งไปอยู่คําว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายญทิฏฐิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดได้หมดไม่นานนักท่านก็นได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาอาราพุ่นบรรดาวุบาสุคุบาลศิการและวิสุทธสมมเนธทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี่ไปขอสาวบุคคลอ ง, องสมเด็จสมาธิแก้ว